เราเห็นว่าทุกเช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรขวนขวายทพ่อไปสู่ความดับทุกข์แล้วเราก็ไปเดินทางสายนี้ได้และเมื่อเดินแล้วเราก็บรรลุถึงซึ่งความดับทุกข์ได้หนทางเวลานี้ยังมีพระพุทธศาสนายังมีอยู่ตราบใดทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นท่านทั้งหลายที่มออุ่งจะไปสู่ความดับทุกข์ก็ยังเดินได้อยู่ทางนี้ยังมีอยู่แล้วก็เรายังเดินได้ เพราะว่าหลักพระพุทธศาสานานั้นยังไม่สูญยังเป็นทางปฏิบัติได้เนี่ยเป็นความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ที่ว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งมวลด้วยพยานของพระพุทธองค์นั้นเป็นพยานประเภทที่หาที่สุดมิได้เป็นพยานที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกเป็นพยานที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกฟังดูแล้วก็ไม่ควรจะรู้เรื่อง ที่สุดแห่งวิโมกนั่นคืออะไรที่สุดแห่งวิโมกเนี่ยคำว่าวิโมกตับนี้แปลว่าข้ามข้ามพ้นเรียกว่าวิโมกยานที่เกิดในที่สุดแห่งวิโมกนี้หมายถึงยานที่เกิดขึ้นในขณะที่ข้ามพ้นจากโลกิยะไปสู่โลกุตตรธรรมหรือข้ามพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดต่างต่างพระยานอันนี้เรียกว่าพระยานเกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมก ในขณะที่ปฏิบัติจิตจนถึงที่สุดแล้วแล้วจิตนี้กำลังข้ามไปสู่โลกุตรธรรมจิตที่ข้ามไปสู่โลกุตรธรรมได้เนี่ยเราเรียกว่าวิโมกเรียกว่าวิโมกค่ะหรือในบาลีใช้คำว่าวิโมกโขมีสุญญตะวิโมกอานิมิตะวิโมกอั ป, ปนิหิตาวิโมกอย่างสุญญตะวิโมกนี้ก็หมายถึงว่าข้ามพ้นเพราะเห็นนามรูปนี้ว่า ไม่มีตัวตนศุญญตะหรือสุญยะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงศูนแต่หมายถึงความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลพิจารณาเห็นเบญจขันนี้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเนี่ยอยู่ในเบญจขันนี้เลยเมื่อเห็นความจริงเช่นนี้แล้วจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสข้ามพ้นจากกิเลสได้อย่างนี้เรียกว่าศุญญตะวิโมกส่วนอ น, นิมิตะวิโมกนั่นหมายถึงเห็นว่าขันธ์ห้านียไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วประดับไป เมื่อเห็นความไม่เที่ยงในขันห้าเช่นนี้ก็ถอนอุปาทานคือความยึดมั่นในเบญจขันเช่นนี้ได้ไม่ยึดถือโดยความเป็นสัตว์และบุคคลเราก็ข้ามพ้นจากกิเลสได้อย่างนี้เรียกว่าอนิมิตตาวิโมกส่วนอภิมิตตวิโมกนั้นหมายถึงข้ามพ้นจากกิเลสได้เพราะพิจารณาเห็นขันห้านี้ว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีตรงไหนเลยที่เราไปตั้งแล้วจะไม่เกิดทุกข์ขึ้น ในในขันห้านี่ถ้าไปตั้งในขันใบขันหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นมองเห็นสภาพของทุกข์ในเบญจขันเช่นนี้แล้วก็ละอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นได้หลุดพ้นได้อย่างนี้เรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมจกจั้นรัณยานที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกนี่ยเป็นพยานที่เกิดขึ้นเห็นอริยสัจสี่ในที่สุดแห่งวิโมกหรือเกิดขึ้นรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ก็เป็นพยานยาที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกเช่นกันนี่เป็นความหมายของคําว่าพุทธโธในยะที่หนึ่งส่วนในยะที่สองนั้นคือตรัสรู้อริยสัจธรรมด้วยพระองค์เองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยคือรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังสอนให้คนอื่นเนี่ยรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงรู้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนี่เป็นความหมายของคำว่าพุโทโธอีกนยัยหนึ่งคำว่าพุโทโธนี้เราแป ล, ว, แล ว, ว่าผู้ตื่นจากหลับแล้วตื่นแล้วคำว่าตื่นจากหลับแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเรานอนมาอิ่มตื่นแล้วพอนอนหลับมาถึงที่สุดแล้วเราก็ตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไม่ใช่อย่างนั้นตื่นอย่างนี้เรียกว่าตื่นจากหลับ ที่ประกอบด้วยโมหะธรรมตื่นจากความหลับที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับของเราจริงๆแต่ว่าที่ว่าตื่นแล้วในที่นี้ความหลับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเนี้หมายถึงหลับอยู่ในกองกิเลสหลับอยู่ในกองกิเลสก็หมายถึงว่าแม้แต่เราจะตื่นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจิตของเรานี้ยังถูกกิเลสเข้าครอบงําอยู่เรายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดต่างๆมากมายอยู่ ถึงแม้กําลังตื่นก็เหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับนั่นคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่กระทั่งที่นอนของตนเองว่าเออเรานอนอยู่ที่ไหนคนนอนหลับจะไม่รู้คนนอนหลับจะไม่รู้เลยว่าเรามีสมบัติอยู่เท่าไหร่มีใครนอนอยู่กับเราบ้างความตายมันจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดใครกําลังรอกทําร้ายเราบ้างคนนอนหลับไม่รู้เวลาหลับเราไม่รู้ มีสมบัติมากมายก็เหมือนไม่มีคนหลับก็เหมือนคนตายแต่มันมามีเมื่อตอน ร, รู้สึกตัวตื่นขึ้นพอรู้สึกตัวไอ้นั่นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราสรรภัพอย่างยึดถือกันไปเนี่ยเป็นสภาพของคนนอนหลับผู้ที่มีกิเลสแม้ยังตื่นอยู่แต่ยังยึดถือในสิ่งต่างๆเหลา่านี้ก็เหมือนกับคนนอนหลับ เือถึงแล้วตือนอยู่แต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรายึดถือนี้เป็นทุกข์ไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจจะทำถึงจะตื่นอยู่ก็เหมือนกับคนนอนหลับเพราะว่าจิตเนี่ยถูกโมหะหรืออวิชชาเนี่ยปกปิดอยู่ถึงตื่นก็เหมือนกับหลับเรากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนในรยาบททั้งสี่นี้ก็เหมือนกับคนหลับถ้าหากว่าเรามีโมหะปกปิดอยู่ ฉะนั้นก็พุตธองค์ที่ไดนามบอกเป็นพุทโธเนี่ยหมายถึงว่าตื่นจากหลับแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วไม่ยึดถือไม่หมกมุ่นอยู่กับอะไรทั้งหมดแล้วในโลกนี้ทรงรู้แจ้งตลอดหมดทั้งสามสิบเอ็ดภูมิทั้งกาลปภูมิรูปประภูมิอารูปประภูมิเนี่ยรู้แจ้งหมดแล้วจึงเปรียบเสมือนหนึ่งกับผู้ที่ตื่นแล้วจากความหลับเวลานีสัมภั ท, ทั้งหลายที่ ยังมีอุปาทานหรือกิเลสครอบครอบงามอยู่ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังหลับไหลอ ย, อยู่ในเรื่องราวต่างๆที่เราไม่รู้เรากำลังหลับไหลอ ย, อยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาและโมหะธรรมฉะนั้นจึงไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นแล้วยังเป็นผู้นอนหลับอยู่ฉะนั้นความหมายของคาว่าพุทโธในที่นี้ท่านจึงให้ความหมายหมายถึงผู้ที่ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วตื่นจากหลับคือกิเลส เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วจึงได้นามว่าเป็นพุโทโธในความหมายของคำว่าพุทธะาอือพุโทโธซึ่งเป็นพระพุทธคุณบทที่แปดที่เราสวดสรรเสริญกันอยู่เป็นความหมายในด้านของคุณธรรมที่สูงส่งขององคุมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นั้นได้มีพระคุณอย่างนี้และพระคุณเช่นนี้เราจะหาไม่ได้ในสัมพัสทั่วไป เว้นแต่ผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเท่านั้นส่วนพระพุทธคุณบทที่เก้าคือคําว่าพระขวาคําว่าพระควานี้ถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าผู้จําแนกผู้จําแนกธรรมก็ได้ที่ว่าผู้จําแนกธรรมนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้จําแนกสภาวธรรมเนี่ยให้เราได้เห็นโดยแจ่มชัด เหมือนกับเราจําแนกในส่วนสรีระร่างกายเนี่ยออกไปเป็นส่วนต่างๆเช่นถ้าว่ารวมกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นชีวิตอย่างนี้เราก็ถือว่านี่ยคือตัวเราแต่ว่าเราไม่ทราบเลยว่าที่มันมาเป็นตัวเราอย่างนี้ได้เนี่ยมีอะไรเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วจึงเป็นตัวเราขึ้นมาเราพิจารณาไปเรามีอะไรบ้างในตัวเราเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีเนื้อมีหนัง มีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตมีพังผืดมีไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีดีสเลตหนองเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยก็รวมกันขึ้นมาเป็นรูปประขันเป็นรูปร่างกายมีจิตหรือวิญญาณมีเจตสิกจึงเกิดความรู้สึกนึกคิดทางอายตนะต่างๆได้รับรู้อารมณ์ทางอายตนะต่างๆได้ เนี่ยมาประกอบกันขึ้นและสมมติกึนว่าเป็นตัวเราจึงยึดถือว่าไอ้ น, นี่ตัวของฉันเราเป็นคนยืนคนเดินคนนั่งคนนอนแต่เมื่อศึกษาจำแนกออกไปโดยละเอียดที่พระพุทธองค์จาแนกออกไปแล้วเราจะไม่พบคาว่าตัวเราเลยไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนเช่นอย่างสมมุติว่าเราชื่อแดงต้องถามว่าคุณแดงอยู่ตรงไหนที่ลงไปไม่เจอแดงสักหน่อย เจอหนังเจอเนื้อเจอขนเจอผมเนี่ยเราก็ไม่พบคําว่าแดงอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าเกิดขึ้นโดยสมมุติโดยสมมุติที่ว่าเมื่อมีส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบกันขึ้นเราก็สมมุติกันว่าเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เกิดขึ้นโดยสมมุติพระพุทธองค์เป็นผู้จําแนกให้เราได้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นปต่เทียงสมมุติแต่ความจริงนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ว่ามีเหตุปัจจัยมาประกอบกันขึ้นแล้วก็เป็นตัวเราขึ้นมาอย่างเนี้ยเรียกว่าภักควาเป็นผู้จําแนกธรรมถ้าจะกล่าวโดยหลักธรรมแล้วก็เช่นจําแนกออกไปว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอายตนะอันนี้เป็นธาตุอันนี้เป็นอริยสัตว์อันนี้เป็นอินทรีย์เป็นจิตเป็นเจตสิกอย่างเนี้ยท่านจำแนกออกไปโดยละเอียดอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้จําแนกธรรม ทั้งจำแนกการสั่งสอนได้มากมายแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์นั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยพระสัพพัุญยาด้วยพระคุณคือพักวานี้ทั้งสิ้นเพราะจำแนกมากหลักคําสอนจึงมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์ในความหมายของคำว่าพักวาหรืออีกในยนหนึ่งเรายกย่องว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขนานพระนามว่าเป็นพัวานั้น พระนามนี้ไม่ใช่เป็นพระนามที่มีใครแต่งตั้งให้ไม่ใช่พระเจ้าสุดโทธนะพระนาสริมหามายาหรือพรามทั้งเจ็ดหรือผู้ใดผู้หนึ่งมาแต่งตั้งให้แต่เป็นพระนามที่เกิดขึ้นโดยคุณเกิดขึ้นโดยคุณเนี่ยหมายถึงเกิดขึ้นโดยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเองพระนามอย่างนี้เราเรียกว่าเนมิตกะนามแปลว่านามที่เกิดขึ้นโดยพระคุณของท่าน โดยอํำนาจแห่งแห่งความดีที่มีอยู่เนี่ยจึงได้นามอย่างนี้ขึ้นเหมือนกับเราเรียกคนที่เก่งในทางช่างคนที่เก่งในทางรักษาเราเรียกในช่างในช่างเนี่ยไม่มีใครไปตั้งให้อ่ะแต่ว่าเกิดมาจากก็คนคนเนี่ยเขาเป็นช่างแก้เครื่องบ้างเป็นช่างแก้อะไรต่ออะไรบ้างเป็นช่างไม้เป็นช่างเหล็กเป็นช่างไฟฟ้าเราก็เรียกว่าเนี่ยในช่าง เขว่ า, านายช่างเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเขาที่แท้จริงแต่ว่าเป็นชื่อที่เกิดขึ้นจากความชํชนานิชํานาญจากงานของผู้นี้ที่ทําจึงได้นามว่าเป็นนายช่างพระพุทธองค์ที่ได้รับนามว่าเป็นพักวาก็เพราะเป็นผู้จําแนกทำจําแนกทำออกไปมากมายจึงได้นามว่าเป็นพักวาร์นามอย่างเนี้เรียกว่าเนมิตตกะนามหรืออีกในยันหนึ่งพระตักถาจารย์ท่านยกย่องว่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นบุคคลที่ควรเคารพในฐานะแห่งความเป็นครูควรเคารพในฐานะแห่งความเป็นครูผู้ที่ควรเคารพในฐานะแห่งความเป็นครูนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายอย่างฉะนั้นถ้าโดยความหมายในทางศาสนาแล้วศัพท์ที่เราใช้ในปัจจุบันคือคำว่าครูเนี่ยสูงเหลือเกิน ผู้ที่เป็นครูนี่จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมสูงส่งมากจึงจะได้รับนามว่าครูได้เวลานี่ครูค่อยๆหายไปตามลำดับมีอาจารย์เข้ามาแทนที่ความจริงครูเนี่ยสูงกว่าอาจารย์อีกเราเรียกคำว่าครูเนี่ยมีความหมายซึ้งกว่าคำว่าอาจารย์แต่เรายกย่องว่าอาจารย์เนี่ยสูงกว่าครูถ้าครูก็หมายถึงผู้ที่สอนหนังสือระดับชั้นประถม โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนประชาบาลเนี่ยเรียกครูแต่ไปถึงระดับมัธยมระดับเตรียมอุดมระดับอุดมศึกษาแล้วอาจารย์สูงขึ้นไปท่านศาสตราอาจารย์กับหนักขึ้นไปอีกแต่แท้ที่จริงแล้วความหมายของความเป็นครูเนี่ยสูงที่สุดเราใช้คําว่าครูเนี่ยเหมาะสมแล้วอย่างใครที่ได้รับเรียกว่าคุณครูไปไหนเนี่ยควรจะภาคภูมิใจเพราะคําว่าครูเนี่ยสูงเหลือเกินพระพุทธองค์เนี่ยควรเคารพ ในฐานะแห่งความเป็นครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพในฐานะแห่งความเป็นครูเพราะฉะนั้นจึงได้รับนามว่าพระควาหรืออีกในอีหนึ่งคําว่าพระควาเนี่ยท่านหมายถึงว่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้ประกอบด้วยพระธรรมพระคะนะท่านทหลายฟังให้ดีคําว่า พ, ะะพะะราพคาะคะพระธรรมเราได้ยินไปสัพท์คําว่าโภคะโฟคะเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆเพราะพระท่านให้ทรบ่อยๆ ขอให้โยมมีโภคะสมบัติมีโภคะสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ยินคําว่าโภคะบ่อยๆแต่คําว่าพระคะเราไม่ค่อยได้ได้ยินกันเท่าไหรนะ่นักคำว่าพระคธรรมนี่หมายถึงว่าธรรมที่มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์นั้นประกอบด้วยพระคธรรมทั้งหกประการจึงได้นามว่าพระควาพระคะจึงได้นามว่าพระควา ก็คือมีพระธรรมทั้งหกประการพระธรรมทั้งหกประการนั้นพระคี่เป็นไปในทางโลกพระคี่เป็นไปในทางโลกประกอบด้วยธรรมท่านสแสดงไว้ว่ามีอยู่หกประการเช่นประการที่หนึ่งอิสริยะคาว่าอิสริยะอิสริยะนี้แปลว่าความเป็นใหญ่เช่นอิสริยยศ เราใช้คําว่าอิสริยยศก็คือผู้ที่มียศที่สูงส่งแต่ในที่นี้ท่นหมายถึงว่าผู้ที่มีความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในที่เนี้ยไม่ใช่หมายถึงเป็นใหญ่โดยฐานะตําแหน่งหน้าที่ว่าท่านผนนี้มียศแล้วจึงเรียกว่าอิสริยยศไม่ใช่อย่างนั้น แต่ความเป็นใหญ่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนกับความเป็นใหญ่ของผู้ที่กำลังจะใหญ่กันอยู่ในปัจจุบันเพราะผู้ที่ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยใหญ่ไปได้ไม่นานหรอกเพราะว่าใหญ่ผิดที่ความเป็นผู้มีอิสริยยศหรือความเป็นใหญ่ของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงพระองค์เป็นใหญ่ในพระหริยทัยของพระองค์เองเป็นใหญ่ในจิตผู้สรุปง่ายคือเป็นใหญ่ในจิตที่เป็นใหญ่ในจิตนั่นหมายความว่า พระพุทธองค์มีความเป็นไทยในพระองค์เองสามารถควบคุมจิตได้ไม่ตกไปเป็นทาสของกิเลสเนี่ยผู้เป็นใหญ่ต้องเป็นใหญ่อย่างนี้คือเป็นใหญ่ในตัวเองเช่นจิตนี้ควบคุมจิตของตนเองได้ไม่ให้ตกไปเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทถ้าควบคุมจิตไว้ได้ไม่ให้กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นแหละคือผู้ที่มีอิสริยะ เป็นผู้ที่มีอิสริยะคือมีความเป็นใหญ่ในใจของตนเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นใหญ่ในพระอทัยของพระองค์เองกิเลสน้อยใหญ่ในจิตถูกวัดล้างหมดไม่มีเหลือเนี่ยจึงได้รับนามว่าเป็นอิสริยะมีความเป็นใหญ่ในจิตในฐานะที่ได้บรรลุถึงซึ่งโลกุตรธรรมคือยกจิตนี้ให้หลุดพ้นจากกิเลสจะท่วมทับได้ อย่างนี้เรียกว่าทรงเป็นผู้มีอิสริยะอีกประการหนึ่งเป็นผู้มียศอันบริสุทธิ์ยศที่บริสุทธิ์เนี่ยคือยศชนิดไหนเป็นยศที่บริสุทธิ์ถ้าพูดในทางโลกแล้วก็รู้สึกชัดเจามากเรื่องไปว่ายศอะไรบ้างที่เป็นยศที่บริสุทธิ์ถ้าเราจะสแสวงหายศว่ายศอะไรเป็นยศที่บริสุทธิ์ ยศที่บริสุทธิ์นั้นหมายถึงยศที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่มีใครให้เรียกว่ายศที่บริสุทธิ์แต่ท่านทั้งหลายอย่าตีความหมายว่ายศที่บริสุทธิ์ก็คือหมายถึงผู้ที่ปราบดาพิเศษขึ้นมาใช่ไหมอย่างความเป็นกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีกําลังมากเรามีทัพมากเราสามารถที่จะใช้กําลังของเราที่มีอยู่ปราบปรามคนอื่นให้แพ้ราบคาบได้ แล้วเราก็ปราบดาตัวปราบดาพิเศกตัวเราขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นกษัตริย์อันนั้นใช่ไหมที่เป็นยศที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ยศที่บริสุทธิ์ต้องไม่หมายถึงเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงจะเรียกว่าเป็นยศที่บริสุทธิ์เช่นอย่างความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอิสริยะที่พระองค์มีอยู่ หรือพักาวารที่พระพุทธองค์ได้รับขนานพระนามนี้อยู่เนี่ยคือพระยศที่บริสุทธิ์เป็นยศที่บริสุทธิ์จริงๆในปัจจุบันเนี่ยถึงจะมีใครบอกว่าโอ้ยผมได้ผมยศขึ้นมาเนี่ยผมได้มาด้วยน้ำพัดน้ําแรงของผมนะด้วยความสามารถของผมยังไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะแต่บริสุทธิ์จริงๆต้องอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เป็นยศที่บริสุทธิ์ จริงอะเราทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอะไรต่างๆไม่ใช่ใดมาด้วยการประจบสอพรอไม่ใช่ไดมาด้วยอะไรต่างๆก็จริงแต่ก็ไม่บริสุทธิ์พระวาท่านที่บริสุทธิ์นอกนั้นก็ไม่บริสุทธิ์อีกประการหนึ่งต้องมีพระศริย่างงดงามสงาา่าผ่าเผยที่ว่ามีพระศริย่างงดงามสงาา่าผ่าเผยนี้ ในลัคนะสูตรได้แสดงถึงมหาปุริสลักษณะคือลักษณะแห่งความเป็นมหาบุรุษของพระพุทธองค์เนี่ยว้โดรยละเอียดถ้าจะพิจารณาในมหาปุริสลักษณะแล้วเราพอที่จะวาดภาพได้เห็นถึงความงามของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายที่เคยเห็นพระพุทธรูป ง, งามๆท่านจะต้องนึกถึงพระพุทธองค์ว่าแม้พระพุทธองค์คงจะมีรูป สักางิงดงามอย่างนี้ละกะมังพระพุทธรูปนั้นก็มีอยู่หลายลักษณะเกิดขึ้นตามรสนิยมของศิลปินแต่ละชาติแต่ละภาษาพระพุทธรูปในประเทศไทยเราก็มีลักษณะกระเดียดมาทางรสนิยมของคนไทยว่าไทยเรานิยมอย่างนี้นิยมคนงามอย่างนี้แต่ถ้าพระพุทธรูปไปอยู่ทั้งแอฟริกาแล้วแล้วก็ถูกลมสีดาปีเช้า ปาจะต้องแบะเป็นปากเป็ดนะ่ะงามที่สุดของแอฟริกาถ้าไปอยู่ในพมา่าพระพุทธรูปหรือบุรุษที่งามที่สุดนั่นก็คือท้องจะต้องย้อยลงมาท้องย้อยจะท้องน้อยนี่จะต้องงอกออกมาอย่างน้อยคืบหนึ่งต้องมีไขมันอยู่ตรงนี้นสักสิบกิโลนะงามที่สุดแลว้วก็นั่งหลังโกงไหลห่อนิดนิดหนึ่งคือพันจะเห็นพระพุทธรูปในพม่ามีลักษณะอย่างนั้นถ้าไปอยู่ในเมืองจีนก็ต้องอ้วนเสบกุงพลุยเชียสะดือโบ๋เลย น่นนะงามที่สุดเป็นชายงามของจีนในญี่ปุ่นก็มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราเลยวินิจฉัยไม่ถูกว่าที่งามน่ะงามแบบไหนมหาปริสลักษณะนั้นนะ่ะที่ได้พรัฒนาไว้ในพระไตรปิฎกมีรูปร่างอย่างไรในลักษณะที่มีอยู่ในพระสุตตามตปิฎกในลักษณะสูตรนี้พระพุทธองค์ไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่เราเห็น ไม่มีใครจะเป็นมหาบุรุษได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่นานได้พรรณนาไว้ว่าทรงมีพระสริคือความสง่าผ่าเผยเนี่ยท่นานได้พรรณาไว้หลายอย่างรวมความว่าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยบริบูรณ์หมดทุกอย่างไม่มีอวัยวะส่วนไหนบกพร่องบริบูรณ์หมดสมบูรณ์แล้วก็ตลอดจนรูปร่างก็งดงาม คนงามในคติทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่คนงามเหมือนอย่างคติของคนไทยสมัยหลังๆ ห, หรือของนักประพันธ์บางท่านที่มกักจะชอบเขียนนิยายของพระเอกว่ามีรูปร่างเอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแออันนั้นเป็นพระเอกยี่เกคนอย่างนั้นเป็นพระเอกยี่เกไม่ใช่เป็นมหาบุรุษหรอกบุรุษเขาต้องรูปร่างบึกบึนแข็งแรง เป็นคนขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่คนหยิบโยงรูปร่างอรชอนอ่อนแอมอย่างนั้นเรียกว่าพระเอกอย่างนั้นไม่เรียกว่าพระเอกหรอกถ้าพระเอกตามคติธรรมตามพุทธศาสนาแล้วจะต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดตามศัพท์ชาบ้านเรียกว่าเป็นพระเอกจริงๆพระเอกนะพระเนี่ยหมายถึงพระพุทธองค์เอกะนี่มีหนึ่งพระที่เป็นหนึ่งฉะนั้นมีใครไม่มีใครมาเทียบเป็นสองอีกนะเรียกว่าพระเอก คนอื่นที่สมมติเป็นพระเอกย่างยังไม่ใช่เอกเราเป็นพระโพธ็จพระ จ, จะวาเลยคอยว่ากันไปต่ อ, ต, อต่อไปอีกรองๆองไปอีกแต่ว่าพระเอกจริงๆต้องพระพุทธเจ้าพระสริโฉมงดงามมากถึงขนาดว่าแม้จะไม่ปรับธรรมะออกเลยเป็นแต่เพียงผู้ได้เห็นพระสริโฉมท่านั้นก็ต้องอุทานแน่ ว, ว่าแม้ท่านผู้นี้เป็นมนุษย์หรือเทวดา ถึงได้สวยสดงดงามอย่างนี้ในสมัยที่ตรัสรู้ใหม่ๆอาชีวกสงสัยว่าเอ๊ะเป็นมนุษย์หรือเทวดานนะบุรุษผู้เดินมาเนี่ยตอนตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระวรากายผุดพองปีติอิม่มเ อ, อิบด้วยพระธรรมตลอดเวลาแม้มนุษย์ในกันเห็นยังสงสัยว่าใช่มนุษย์หรือเปล่าคิดว่าเทพบุตรจัมแลงมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเราเนี่ยเป็นพุทธะ ท่านลงฟังธรรมะเราสิให้นั้นไม่เชื่อสะบัดหน้าหนีไปเลยเนี่ยพาดพลาดหวังไปอย่างยิ่งได้พบคนแรกด้วยแต่ว่าไม่ได้ฟังธรรมพอบอกว่าเป็นพุทธทาสนาเขาไม่เชื่อแล้วว่าเอ้เนี่คุยโม้เกินไปแกก็บสะบัดหน้าหนีเดินหลีกทางไปก็ไม่สนใจจนกระทั่งไปถึงไปโปรโดเบญจวัคคีเนี่ยถ้าพูดถึงพระสตรีแล้วพระพุทธองค์นั้นเป็นมหาบุรุษ ไม่มีบุรุษใดที่จะงามเท่าพระพุทธเจ้างามจริงๆตามที่ท่านได้พิจารณาไว้ในในลักษณะสูตรทุกสัดส่วนฉะนั้นจึงมีส่วนโน้มน้าวสัมพัสสัผู้ติดในพระศิริโฉมให้บรรลุมรรคผลได้มากสมัยนั้นเนพราะอาศัยพระศริโฉมอนุษงามเนี่ยก็ปลูกศรัทธาภาษาธรกับสัมพัสสนี่ยได้มากที่สุด เพราะว่าคนในอินเดียสมัยนั้นมองไปในนักบวชรัฐที่อื่นแล้วทุเรศบางรัฐที่ก็เหม็นสาบไม่อาบน้ำเลยเป็นปีๆบางคนก็ปล่อยผมเป็นฮิปปี้ยาวมาถึงหลังบางคนก็ผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งอย่างนี้เห็นแล้วหน้ากลาบที่ไหนแต่พอมาเห็นพระพุทธองค์เข้าเกิดความเรื่อมใสแม้แต่กีวรก็ต้องสะอาดมีกลิ่นก็ไม่ได้ในวินัยเนี่ยระบุไว้เลยว่ากีวรมีกลิ่นไม่ได้ต้องซัก ต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แม้ว่าจีวอนเนี่ยในสมัยนั้นจะเก็บมาจากกองขยะเก็บมาจากผ้าหอ่อศพเก็บมาจากผ้าที่ถูกไฟไหม้หนูกัดที่ชาวบ้านททิ้งแล้วเก็บมาจากผ้าเปื้อนเลือดแล้วก็เอามาซักมาเย็บเป็นชีวรไปยอ้อมถึงอย่างนั้นก็ต้องสะอาดเพราะความเป็นกษัตริย์ของพระพุทธองค์เนี่ย ทุกอย่างต้องสะอาดหมดเพราะฉะนั้นคนในชมพูทวีสมัยนั้นเมื่อได้พบพระพุทธองค์แล้วก็เลื่อมใสเห็นสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็เลื่อมใสเพราะว่ามีความเป็นผู้ดีพร้อมหมดทุกอย่างมีความสะอาดสะอา้านมีมารยาทเรียบร้อยก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่พวกเดรัจฉีเนี่ยเก้งก้างหยาบคายจะกินอะไรก็มูมามไม่เรียบร้อย แต่ในพุทธศาสนาเราแม้แต่เคี้ยวข้าวดังจับจับก็ไม่ได้ทำคำข้าวโตวเกินไปก็ไม่ได้ดูดน้ำแกงดังเสียงสุดๆุก็ไม่ได้เป็นอบัต <c oughs> ท่านท่านว่าละเอียดหมดสมบัติผู้ดีอยู่ในเนี้หมดเลยแต่ว่าในบางลทัทธิไม่มีบางลทัทธิเอามือขยำข้าวใส่ปากกินมู ม, มามกินอะไรก็มู ม, มามไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยจึงทําให้ คนไม่เลื่อมสายเหมือนกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่าเป็นเป็นพระพุทธคุณอันหนึ่งคือความเป็นผู้มีอิสริยะของพระพุทธองค์เนี่ยจึงมีพระสริริคือความสง่าผ่าเผยมากแล้วก็ประการต่อไปคือมีปยัตปาปยัปตาในที่นี้คือความขยันขันแข็งต้องมีความขยันขันแข็งเป็นเยี่ยม ไม่มีใครที่จะขยันทำงานเหมือนพระพุทธเจ้าขยันเหลือกเกินเนี่ยมาในสมัยปัจจุบันนี้เราบวชในสมัยหลังๆเนี่ยพอบวชเป็นพระเข้าโยมว่าพิศวะพระเนี่ยเป็นขุนนางทำอะไรไม่ได้การบรรยายพระวิ ธ, ธิมัสในวันอาทิตย์นี้จะได้บรรยายสรุปถึงอนุสติในข้อพุทธานุสติ อีกครั้งหนึ่งจากการบรรยายติดต่อกันมาหลายครั้งด้วยกันครั้งที่แล้วได้บรรยายพระพุทธคุณบทสุดท้ายจบลงไปแล้วในบทคือพักวา่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วตอนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้สรุปถึงพระพุทธคุณทั้ง๙บทที่เราได้ถือเป็นหลักเจริญอนุสติโดยตลอดมา เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงอาณาสงฆ์คือผลที่เราจะพึงได้จากการปฏิบัติเช่นนั้นว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างการน้อมจิตนึกถึงพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์ถือว่าเป็นการยึดเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งการปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้ เท่ากับว่าเราได้ยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเราได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระสงฆ์เราได้รับความรู้จากพระสงฆ์ก็ถือว่าเราได้ยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยทั่วไปเรามักจะได้ยินโวหารของนักปราชญ์บางท่านที่เตือนสาธุชนว่าเรากราบพระกันทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเปล่งคำว่าพุทธังสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิกันบ่อยครั้งแต่ว่าเรานี้หาได้กราบผูกพระไม่และเราหาได้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรทมเป็นที่พึ่งประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ที่ท่านเตือนสาธุชนเช่นนี้ก็มีเหตุผลที่ควรจะได พิจารณากันว่าทำไมจึงกราบไม่ถูกพระและเพราะเหตุใดเราจึงยังไม่ได้ยึดเอาพระพุทธธรรมพร ะ, ททะสงฆ์เป็นสระที่พึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็กราบพระเราก็ไหว้พระกันอยู่แล้วจะว่าเรากราบไม่ถูกพระได้อย่างไรเช่นอย่างเรานั่งกราบพระพุทธรูปเนี่ยรัตฐทานในโบสถ์องค์เบรรอร์เราไปนั่งกราบต่อหน้าท่าน แล่วจะว่าเราเนี่ยกราบไม่ถูกพระได้อย่างไรและถ้าหากว่าเราเปล่งว่าพุทธทางสมณังคัจฉามิจะกราบว่าเรานี้ไม่มีรัตนารายเป็นที่พึ่งได้อย่างไรความจริงแล้วเรากราบกันอยู่ทุกๆวันเราเปล่งกันอยู่ทุกๆวันนั่นเราไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นถึงจะกราบอยู่ก็เหมือนกับกราบไม่ถูกพระ ถึงจะเปล่งอยู่ก็เหมือนกับเราไม่ได้ยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะไรเลยเพราะถึงข่าวเกิดทุกข์เข็นขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่ได้ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เราไปยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกไปจากพระพุทธเจ้านี่แหละ